วันนี้พวกเราก็ได้มาเร่งความเพียรกันมาปฏิบัติหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือการดูแลรักษาตัวเราตัวเราที่แท้จริงก็คือใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายเป็นเพียงตัวแทนของเรา แล้วก็เป็นตัวแทนที่ไม่ถาวรเป็นตัวแทนชั่วคราวแต่ตัวเราที่แท้จริงก็คือใจแต่เรากลับไปดูแลตัวแทนของเรามากกว่าดูแลตัวเราเราดูแลร่างกายของเรานี้แทบทุกวันแต่เราดูแลใจของเรานี้ไม่ ไม่ทุกวันเหมือนกับเราดูแลร่างกายถ้าเราดูแลร่างกายดูแลใจของเราทุกวันเหมือนกับดูแลร่างกายใจของเราก็จะสุขจะสบายเหมือนกับร่างกายของเราและจะสุขสบายมากกว่าร่างกายเพราะว่าความสุขความสบายของใจนี้มีความยิ่งใหญ่กว่า ความสุขสบายของทางร่างกายเราดูแลร่างกายของเราด้วยการให้อาหารวันละสามสี่ครั้งด้วยกันให้น้ําให้อะไรต่างๆให้อากาศให้เครื่องนุ่งหม่มให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคแต่เราไม่ค่อยได้ให้อาหารกับใจของเราไม่ได้ให้ เครื่องนุ่ห่มยารักษาโรคกับใจของเราเท่าไหร่นานๆเราจะให้สักครั้งหนึ่งใจของเราจึงมักจะไม่ค่อยสบายอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษา่างรักษาใจของเราเหมือนกับเวลาที่ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้ให้ดีนั่นเองร่างกายเราไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่นานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะไม่สบายกันสักกี่ครั้งกันแต่ใจของพวกเรานี่ไม่สบายกันแทบทุกวัน ไม่สบายกับเรื่องนั้นบ้างไม่สบายกับเรื่องนี้บ้างไม่สบายกับสิ่ง น, นั้นบ้างไม่สบายกับสิ่งนี้บ้างนี<ๆ>่ก็เป็นเพราะว่าใจขาดการดูแลรักษานั่นเองถ้าเราอยากจะให้ใจของเรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเราก็ต้องดูแลรักษาใจเหมือนกับที่เราดูแลรักษาร่างกายของเรา เราต้องดูแลรักษาทุกวันและทั้งวันด้วยซ้ำไปถ้าเราได้ดูแลทุกวันและทั้งวันใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไปทั้งวันวิธีที่จะดูแลรักษาใจของเราก็คือเราก็ต้องทำทานทุกวันรักษาศีลทุกวันนั่งสมาธิทุกวันจเจริญสติทั้งวัน พิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือวิธีรักษาจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขความสบายเหมือนกับที่เราดูแลรักษาร่างกายของเราร่างกายของเราถึงจึงจึงมีความสุขความสบายมากกว่าจิตใจของเราร่างกายของเรานานๆถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยทักครั้งหนึ่ง แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายเราดีอย่างไรขนาดไหนก็ตามธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องเสื่อมลงไปตามลําดับก็ต้องแก่ลงไปตามลําดับแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นมาตามลําดับไม่ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายอย่างไรเมื่อมีอายุมากขึ้นมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะมีเพิ่มขึ้นตามมาจนในที่สุดก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันเราจึงหลงกับการดูแลรักษาร่างกายจนโดยเถิดจนลืมดูแลรักษาจิตใจลืมดูแลรักษาตัวเรา เราไปรักษาสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้อยู่กับเราไปได้ไปตลอดแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปได้ไปตลอดเรากลับไม่ค่อยดูแลรักษากัน <c oughs> เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจของเรานี่ไม่มีวันตายนั่นเองธรรมชาติของใจกับของร่างกายนี้ตรงกันข้ามกัน ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวจิตใจนี้เป็นของถาวรดังนั้นเราจึงควรที่จะหันมาให้ความสนใจกับการดูแลรักษาจิตใจของพวกเรากันบ้างเอาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท้านเอาการดูแลรักษาจิตใจเป็นกิจที่สาคัญกว่าการดูแลรักษาร่างกาย ร่างกายท่านก็ดูแลรักษาแต่ท่านดูแลเท่าที่เท่าที่จะต้องดูแลคือไม่ต้องดูแลมันมากจนโลยเถิดไปร่างกายนี้ไม่ต้องการอะไรมากก็อย่างที่บอกอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆอาหาร ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุง่มหมแบบถูกๆ ก, ก็ใช้ได้เสื้อผ้าเช่นเสื้อผ้านี้ชุดละร้อยสองร้อยสองสามร้อยก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องเป็นชุดละสองสามพันสี่ห้าพันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือปกปิดรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่หนาวเย็น จากมาแรงสัตว์กับต่อยเท่านั้นเองหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีตรงนั้นอย่าไปหลงกับความสวยงามว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าราคาแพงแพงวิจิตพิสดารนะเราจะเป็นคนสวยงามเราไม่ได้สวยงามไปแต่กับเสื้อผ้าผรอนของร่างกายเราจะสวยเราจะสวยงามเราต้องสวยด้วยศีลธรรม เสื้อผ้าพรของเราที่แท้จริงก็คือศีลธรรมก็คือศีลห้านี้เองถ้าเรามีศีลห้าเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมจะไม่มีใครรังเกียจที่จะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลห้านี้จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่ไม่มีศีลห้านี้มักจะถูกจับไป อยู่อีกที่หนึง่งก็คืออยู่ในคุกในตารางนั่นเองถ้าอยากจะรู้ว่าคนที่ไม่มีศีลห้าอยู่ที่ไหนลองไปที่คุกที่ตารางดูที่นั่นนะจะเป็นที่อยู่ของคนที่ไม่มีศีลห้ากันเพราะว่าถ้าปล่อยให้มาอยู่กับคนทั่วไปก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นต้องลักขโมยบ้างต้องประพฤติผิดประเวณี ต้องโกหกหลอกลวงต้องฆ่าต้องเสพสุรายาเมานี่แหละเป็นความไม่สวยงามของคนเราไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าอาบอรัที่มีราคาแพงแพงวิจิตรพิสดารแต่อยู่ที่คุณธรรมคือศีลธรรมนี้เองดังนั้นเราจึงไม่ต้องไป หาเสื้อผ้า อ, าอ่อราคาแพงๆวิกิพิสดารมาสวมใส่ยอย่างพระนี่พระเจ้าสอนให้ใช้ผ้าบางสกุลคำว่าบางสกุลก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วผ้าที่ก็ทิ้งไว้ตามป่าช้าทิ้งไว้ตามกองขยะเศษผ้าเก็บเศษผ้าเหล่านี้มาสะสมเอาไว้ พอได้จำนวนที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวานได้ก็เอามาตัดเย็บเมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดคือน้ำที่ต้มต้มด้วยแก่นไม้ก็จะมีสีเหลืองๆ เ, เรียกว่าผ้าก า, กาสาวะพัทเนี่นี่คือผ้าของของพระพุทธเจ้าของพาาาระอรหันตสาวกท่านนิยมใช้ผ้าบางสกุลกัน โดยเฉพาะในยุค่าแรกของพระพุทธศาสนาที่ยังไม่มีผู้มีศรัทธาคอยถวายผ้าดีๆให้ใช้ท่านก็จะต้องหาผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าป่าผ้าป่าก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าบางสกุล ถ้ผ้าแบบนี้ก็จะเป็นผ้าที่ไม่มีใครอยากได้พระต้องอยู่ในป่าเวลาเอาผ้ามาตากไว้แล้วไปทำภารกิจอย่างองื่นก็ไม่ต้องมากังวลกลัวว่าผ้าจะถูกขโมยไปเพราะไม่มีใครอยากจะขโมยผ้าที่ริ้วกันผ้าอันนี้หละคือความสบายใจของการที่มีผ้าแบบนี้ใช้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องการหาเสื้อผ้าราคาแพงๆที่วิจิตรพิสดารมาสวมใส่อย่าไปคิดว่าเราจะสวยงามจะมีคนรักชื่นชมยินดีเราเพราะเรามีเสื้อผ้าที่สวยงามใส่ต่อให้เรามีเสื้อผ้าสวยงามมากขนาดไหนก็ตามถ้าใจของเราไม่มีศีลธรรมแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีใครเขาอยากจะ พบค้าสมาคมจะไม่มีใครจะชื่นชมยินดีถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกงถ้าเขารู้ว่าเราจะต้องทำร้ายเขาถ้าเราถ้าเขาเผลอนี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายให้เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เป็นตัวอย่างท่านใช้หลักมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือใช้ของถูกๆเอาน้อย เอาแค่สองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองนี่ก็พออยู่ได้แล้วสําหรับเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์เรื่องอาหารการกินท่านก็อยู่แบบตามมีตามเกิดถึงเวลาก็เดินบินทบาทไม่ได้ไปขอบอกว่าขอาาข อ, อาหารชนิดนั้นขออาหารชนิดชอบอาหารอย่างนั้นชอบอาหารอย่างนี้ ท่านไม่ถือว่าอาหารต่างๆนั้นมีความแตกต่างกันอาหารทุกชนิดนี้มีหน้าที่เหมือนกันก็คือทำให้ร่างกายอิ่มเป็นการเติมเติมน้ำมันให้กับร่างกายเหมือนกับเราเติมน้ามันรถยนต์เราไม่ต้องไปเลือกปั๊มหรปั๊มไหนมันก็จะมันมันก็น้ามันแบบเดียวกันนี่คือการดูแลรักษาร่างกาย ของนักปราดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านไม่อยากจะต้องมาเสียเวลากับการหาของที่วิจิตรพิสดารของรูระมาใช้กับการดูแลรักษาร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดท่านเอาเวลามาดูแลรักษาใจที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายดีกว่า แล้วก็ดูแลสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของทางร่างกายความทุกข์ของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าาความทุกข์ของทางร่างกายถ้าร่างกายสุขสบายแต่ถ้าใจทุกข์นี้ความสุขสบายของร่างกายนี้จะไม่มีกำลังที่จะมาลบล้างมากลบความทุกข์ของใจเลย ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายไม่สบายแต่ใจมีความสุขความสบายความสุขความสบายของใจนี้จะมีกําลังมีน้ำหนักมากที่จะมากบทําให้ความทุกข์ของทางร่างกายนี้เป็นของไม่มีความหมายอะไรต่อใจเลยอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญพยายามสร้างความสุขใจให้มาก ดั บ, บความทุกข์ใจให้มันหมดไปแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่เป็นปนัญหากับใจร่างกายจะแกร่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายไปก็จะไม่ทําให้ใจต้องมาทุก์มาเดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายเลยใจจะมีความเย็นมีความสบายอยู่ ตลอดเวลานี่คือเรื่องของผลที่เราจะได้รับจากการที่เราดูแลรักษาใจของพวกเราวิธีที่จะดูแลรักษาใจก็คือให้ทาทานอยู่บ่อยๆทาทานอยู่ทุกวันทานก็เป็นเหมือนกับอาหารถ้าเราทาทานแล้วเราใจก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงทำให้ใจมีความอิ่มมีความสบายไม่หิวไม่อยาก ได้สิ่งต่างๆก็จะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้อยู่แบบมากน้อยสันโดษได้ยินดีตามมีตามเกิดได้เมื่ออยู่แบบมากน้อยสันโดษได้ก็จะไม่ต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งนัง้นสิ่งนี้ตามความอยากที่ไม่มีวันครับไม่มีคำว่าพอหาได้มามากน้อยเทยงไหร่ก็ยจำรู้สึกว่ายังต้องการเพิ่มขึ้นไปอีก เช่นเสื้อผ้าเนี่ยลองไปดูซิว่าเรามีกี่ชุดกันมีกี่ตู้กันแล้วพอหรือยังพอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่แขวนอยู่ตามร้านก็อยากจะได้อีกแล้ว <Yeah. S 1> นี่แหละคือความอยากเป็นอย่างนี้ถ้าลองทำตามความอยากแล้วจะไม่มีวันพอแต่ถ้าทำตามความมักน้อยสันโดดทำตามเหตุตามผลมันก็จะพอ เหตุผลคืออะไรก็คือความจำเป็นมีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นร่างกายมีความจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าถึงร้อยชุดพันชุดหรือไม่หรือว่าเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองไม่ได้ใส่ไปมากไปกว่านั้นถ้าเรามีสักสี่ห้าชุดนี้มันก็น่าจะพอแล้วอันนี้คือการใช้เหตุใช้ผลเราถึงจะสามารถที่จะ กำจัดความอยากในปัจจัยสี่ได้อาหารก็รับประทานชนิดไหนก็ได้ที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานแล้วทําให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ใช้ได้แล้วอาหารของพระที่ได้มาบิณฑบาตนี่ฉันได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะ เป็นแบบไหนชนิดไหนจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าต้องฉันเพื่ออยู่แล้วอะไรก็ฉันได้ถ้าอยู่เพื่อฉันนี่อะไรก็ฉันไม่ได้จู้จีจ้จุกจิกไปหมดเพราะไม่ถูกปากไม่ถูกใจถ้าไม่ได้ฉันอาหารที่ถูกปากถูกใจก็จะไม่สบายใจแล้วแต่ถ้าเราถือหลักของยินดีตามมีตามเกิด อะไรมาก็อร่อยทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อก็เราอดข้าวดูสักสองสามวันดูอดข้าวสองสามวันนีข่ข้าวคุกกับข้าวคุกกับน้าปลาก็อร่อยนี่แหละใจมันหลอกเราถ้าเราเคยมีเคยกินอย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้ดีขนาดไหนต่อให้ชอบขนาดไหนถ้าให้กินทุกวันเดี๋ยวมันกิกนไม่ลงอยู่ดี เพระนั้นเราอย่าให้ใจมันหลอกเราอย่าให้กิเลสตัณหามันหลอกเราให้เราต้องไปแสวงหาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อถ้าวันไหนมันจู้จี้จุกจิกก็บอกจูจี้มากก็อยากกินสักสองวันสามวันดูเราให้มันอดสักวันสองวันดูแล้วมีอะไรต่อไปมันกินหมดอข้าวเปล่ า, าก็อร่อยนี่คือเรื่องของอ การดูแลรักษาร่างกายเราอย่าให้กิเลสปัญหามาเป็นตัวชักนำขอให้เราใช้หลักของพระพุทธเจ้าคือมักน้อยสันโดษใช้หลักของเหตุผลใช้หลักของความจำเป็นอาห้อะไรก็ได้ขอให้กินแล้วก็ทำให้มันอิ่มทำให้มันไม่หิวทำให้มันไม่เจ็บ่ข้ได้ป่วยเหมือนกับเรารับประทานยายานี่เราไม่จู้ที่จุกจิก เวลาไม่สบายไปหาหมอหมอให้ยาชนิดไหนมาก็รับไปกินไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีเขียวสีแดงเม็ดกลมหรือเม็ดเลียวเป็นยาน้ำหรือเป็นยาฉีดถ้าหมอให้มาก็รับได้หมดเลยเพราะเราอยากจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บการการรักษาโรคจึงไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนกับการให้อาหารคนไข้ ายานี้คนไข้ไม่บน่นยาชนิดไหนก็กินได้แต่ถ้าพอให้อาหารนี่จะบน่นนะไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้ น, นั่นก็ไม่ชอบกินไม่ลง <c oughs> อย่างนี้ต้องไม่ให้กินสักสองสามวันเราจะจะไม่บน่นมีอะไรก็จะกินได้มนมดนี่คือวิธีดัดกิเลนตัญหาถ้ามันจู้จี้จุกจิกมากนะกก็อย่าให้มันกินเลยให้มันกินน้ำเปล่าๆไปสักวันสองวันเดีวยว ไม่ตายหรอกสิ่งที่จะตายไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่จะตายก็คือความจู้จี้จุกจิกนี่เองต่อไปมันจะไม่จู้จี้จุกจิกมีอะไรมันก็กินได้ <c oughs> จะได้ไม่ต้องวุ่นวายบางคนนีก่กว่าจะกินข้าวได้แต่ละมื้อนี่ต้องขับรถไปเป็นร้อยกิโลเพราะว่าอาหารที่อยู่ใกล้นี้ไม่ถูกปากไม่ถูกใจต้องไปหาอาหารหนูน่นข้ามเมืองไปนู่น กับไปสักร้อยกิโลถึงจะได้รับประธานาี่ถูกใจบางทีไปถึงร้านอาหารเขาก็ปิดเสียก่อนไปไม่ทันแทนที่จะมีความสุขใจก็เลยกลับในความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นใหม่คนเรานี่ถ้าไม่จู้จี้จุกจิกแล้วจะมีความสุขถ้าจู้จี้จุกจิกแล้วจะวุ่นวายจะหาความสุขไม่ค่อยเจอ ฉะนั้นขอให้เราดัดสันดานความจู้จี้จุกจิกนี้ไปถ้ามันจู้จี้จุกจิกก็อย่าให้มันกินเลยแต่เราต้องเด็ดเดี่ยวถ้าเราอยากจะฆ่าสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราเราต้องมีความแน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้วรับลองได้ต่อไปชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีความกังวลไม่มีความ วุนวายกับเรื่องการบริโภคปัจจัยสี่แล้วเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาใจของเราเราจะได้มีเงินเดือมาทําบุญทาทานกันั้งที่เราบ่นว่าอยากจะทาทาบุญแต่ไม่มีเงินทำไมจะไม่มีทำไมถึงไม่มีเงินก็เพราะเอาเงินไปไปไปดูแลรักษาร่างกายจนเกินเหตุเกินผลนั่นเอง กินอาหารแบบวิจิตรพิสดารซื้อเสื้อผ้าแบบวิจิตรพิสดารหรูหลาราคาแพงแพงอย่างนี้เงินก็จะไม่มีมาทำบุญไม่มีไม่มีเงินมาซื้ออาหารให้กับใจอาหารของใจก็คือทานการทำทานการแบ่งปันแบ่งปันเงินทองที่เรามีนี้ให้แก่ผู้อื่นพอเราอยู่แบบสมถะเรียบง่าย ไม่รู้ราไม่วิจิตพิศดารไม่จูจ้จี้จุกจิกเราจะมีเงินเหลือเยอะแยะเลยจะมีเงินเหลือมาทําบุญทําทานเราจะสามารถทําทานได้ทุกวันใส่บาตรได้ทุกวันถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านเราก็เอาเงินใส่เงินใส่บาตรใส่ไว้ใ น, นกระปุกก่อนก็ได้พอเวลาเรามาวัดเราก็เอาเงินนั้นมาถวายวัดไปเราก็จะได้ทําบุญทุกวัน ถ้าเราทําบุญทุกวันแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปจะทําให้เราชอบทําบุญรักทําบุญแต่ถ้าเรานานา น, านทาทีนี้มันฝืดกว่าจะทําได้นี่ต้องรอจังหวะดีๆเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันสําคัญทางศาสนาถึงจะถึงจะมีกําลังฟักเงินออกมาทําบุญถ้าเวลาอื่นแล้วมันจะเอาไปเอาไปเลี้ยงร่างกายเสียเหมือน เอาไปเลี่ยงกิเลสตัณหาคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยิ่งไปดูยิ่งไปฟังยิ่งไปเที่ยวยิ่งอยากไปดูยิ่งอยากไปฟังใหญ่ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นไปใหญ่จนไม่มีเงินพอใช้โดยจะไม่มีวันที่จะได้ทําทําบุญใจก็จะหิวใจก็เวลาตายไปก็จะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณ กอนทานทางจิตเวิญนยาณก็คือเปรตนี่เองพวกเปรตนี้จะต้องมาคอยขอรับบุญอุทิศของคนที่เข า, เาทำบุญกันอย่างพวกเราจึงมีธรรมเนียมลวลาทาบุญเสร็จแล้วเราก็กวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้แหละก็อุทิศให้พวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญกันไม่ทำทานกันเวลาตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีสมบัติติดตัวไป แทนที่จะไปเป็นเศรษฐีก็เลยต้องไปเป็นขอทานต้องไปรอรับส่วนบุญของผู้อื่นดังนั้นเราอย่ามองข้ามเรื่องของการทำทานทำบุญเป็นคาดขอให้เราฝึกทำให้เป็นนิสัยมากน้อยไม่เป็นไรวันละบาทสองบาทก็ยังดีแม้แต่ข้าวทัพพีเดียวถ้ามีพระมาใส่บาทให้วันละทัพพีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลย เมื่อทำแล้วมันก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจแล้วมันก็จะลดการลดลดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของวิจิตรพิสดารต่างๆได้แล้วก็จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นที่จะเอามาทาบุญได้เพิ่มมากขึ้นไปเราทาบุญมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเป็นเศรษฐีบุญขึ้นมาตายไปเราก็จะเป็นเทพเป็น เป็นเศรษฐีไปเป็นเทวดาไปอยู่ในโลกทิพย์ไปเสวยอาหารทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยมีฐานะการเงินการทองที่ดีอันนี้เป็นอ น, นิสง์ของการที่เราได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องทุกวันศีลเราก็ต้องรักษาทุกวันเช่นเดียวกัน เพราะศีนี้จะเป็นตาข่ายที่จะป้องกันไม่ให้เราตกลงไปในนรกตกลงไปในอบายเหมือนกับเวลาที่เราไปดูคนเขาเล่นละครสัตว์ที่เขามีการกายกรรมอย่างนี้เขาตายร่วดกันเขาต้องมีตาข่ายรองไว้เผื่อพลาดถ้าตกลงมาจะได้ไม่ตกลงมาถึงพื้นฉะนได้ในการดําเนินชีวิตของโวกเราก็เหมือนกายกรรมดีๆนี่เองถ้าเรา เผลอสติไม่ละมั่นระวังเดี๋ยวเราก็เผลอไปทำบาปได้เพราะว่าใจของเรานี้ยังไม่แน่วแน่แนมั่นคงต่อการไม่ทำบาสนั่นเองเวลามีอะไรมาล่อตาล่อใจเดี๋ยวก็อดที่จะทำบาปไม่ได้เพราะอยากจะได้สิ่งที่มาล่อตาล่อใจนี้เองอย่างนั้นเราจะต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ทุกวัน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทำบุญได้รักษาศีลได้ตายไปเราจะไปสุขคติอย่างแน่นอนไปเป็นเทวดาไปเที่ยวไปท่องอยู่ในโลกทิพย์จนกว่าบุญที่เราได้ทำไว้นั้นหมดแล้วเราก็กลับมาเติมบุญใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาทำบุญใหม่ทำทานรักษาศีลใหม่นี่คือ การดูแลรักษาใจด้วยบุญละทานที่เป็นปัจจัยสองและสองอันถ้าเราอยากจะดูแลรักษาใจของเราให้ดีกว่านี้เราก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบใจของเราจะสูงขึ้นไปจากเทวดาจากจากเทวดาก็จะเป็นพรหมพรหมนี้เป็นสวรรค์ที่สูงกว่า มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทวดาถ้าถ้าพักถ้าเป็นห้องพักก็เป็นห้องพักที่มีราคาที่แพงกว่าห้องพักของเทวดานั่นเองตามโรงแรมนี้เขาจะมีห้องห้องห้องพักหลายราคาด้วยด้วยกันห้องพักธรรมดาห้องพักพิเศษมีหลายหลายขั้นด้วยกันความสุขทางใจก็เป็นแบบเดียวกัน ถ้าอยากจะมีความสุขที่สูงกว่าความสุขของเทวดาอยากจะได้ความสุขของผม <c oughs> ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเอาใจสงบแล้วจะมีความสุขยิ่งกว่าการที่เราได้เงินทองมาเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านเงินทองร้อยล้านพันล้านซื้อความสุขที่ได้จากความสงบจากการนั่งสมาธิไม่ได้ ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ยังมีกําลังมีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินร้อยล้านพันล้านเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะให้ความอิ่มความพอมากกว่าความสุขของของการที่ได้เงินมาร้อยล้านพันล้านเพราะเวลาได้เงินมาแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก มีพันล้านแล้วก็อยากจะมีสองพันล้านสามพันล้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วจะไม่อยากได้อะไรจะอยากจะได้ความสงบเพียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหนาทองมาให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่เอาไปก็คือความหิวความอยากหรือความอิ่ม ถ้านั่งสมาธิได้ก็จะเอาความอิ่มไปถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้ก็ยังต้องเอาความหิวไปก็ต้องไปต้องไปหาความสุขกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์บนชั้นของเทวดาไปก่อนแต่ก็ยังดีกว่าที่ไปทำบาปแล้วต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายแล้วถ้าไม่อยากที่จะต้องกลับมาอ่า เติมความสุขอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำเวนทำทานใหม่ก็ต้องปฏิบัติดูแลรักษาใจด้วยทำขั้นที่สี่ก็คือปัญญาปัญญานี้จะรักษาใจไม่ให้มีความอยากเลยจะลบล้างความอยากต่างๆให้หมดไปเลยสมาธินี้เพียงแต่กดความอยากเอาไว้ชั่วคราวเหมือนกับหินทับหญ้า เวลามีสมาธิเวลานั่งสมาธิใจสงบความอยากความต้องการสิ่ ง, งต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะลบล้างทำลายความอยากไม่ให้เกิดขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ความทุกข์ของเราความไม่สบายใจของเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยก็เกิดจากความอยากของเรานี้เองพอเราเห็นอะไรอยากได้อะไรในี้ใจของเราก็หมดหยิดหงิดลถ้ายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้พอได้มาแล้วความหมดหยุหิดถึงจะหายไปแต่หายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้ดังใจก็ยิ่งไม่สบายใจเสียใจแต่ถ้าได้ดังใจมันก็สบายใจไปชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นหน่ถ้าอยากจะไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากซิปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขา เป็นไปตามเรื่องของเขาของต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้แหละเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเขามีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมเราไปเราจะไปอยากไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้เราจะไปอยากไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำลมไฟฝนฟ้าอากาศเราไปห้ามฝนฟ้าอากาศให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ชั้นใดก็ไปห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เราไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามวาระของมันถ้าเราไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาทันทีไม่สบายใจขึ้นมาทันทีนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจ เพื่อไม่ให้ปียากับสิ่งต่างๆให้ยินดีตามมีตามเกิดจะแก่ก็ยินดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยินดีจะตายก็ยินดีถ้ามีความยินดีแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือปัญญาที่เราจะต้องนำเอามาสอนใจถ้าเราอยากจะทำลายความอยากทำลาย ความอยากที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทํากันท่านก็ทําแบบนี้ตอนต้นท่านก็นั่งสมาธิก่อนทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วก็จะเห็นโทษของความอยากพ่าเวลาเกิดความอยากนี้ความสงบจะหายไปความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะ ถูกทำลายไปเหมือนกับน้ำเวลานิ่งนี้น้ำมันจะมันจะใสมันจะนิ่งแต่ถ้าเราเอาอะไรโยนเข้าไปในน้ำน้ำมันก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันที ใ, นใจของเราก็เป็นเหมือนน้ำเวลาสงบนี้มันจะนิ่งเวลานิ่งนี้มันจะมีความสุขมากแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะกระเพื่อมขึ้นมาเป็นลุกคลื่นขึ้นมามันก็จะมีความกระสับือนใจขึ้นมาทันที มันก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือตัวที่ทำให้ใจเราะสะเทือนทำให้ใจเราหวันว่นไหววุ่นวายก็คือความอยากนี่เองดังนั้นเราต้องมาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นปตายาความอยากของเราได้อยู่ดีเราอยากไม่แก่เราก็ห้ามความแก่ไม่ได้ เราอยากไม่เจ็บไายได้ป่วยเราก็ห้ามความเจ็บไายได้ป่วยไม่ได้เราอยากไม่ตายเราก็ห้ามความตายไม่ได้พอเราไปอยากเราก็ไปทุก์ไปเปล่าๆไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดความจริงก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่เหมือนเดิมถ้าเราไม่ไปอยากเสอย่างเราก็จะสบายร่างกายแก่เจ็บตายเราก็สบาย เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่วุ่นวายใจคนที่เรารักสิ่งที่เรารักจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีการมารวมกันมาพบกันแล้วก็มีการที่จะต้องจากกันไปไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอด พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญ่าเสนมีิสหายถึงเวลาก็ต้องไปกันทีละคนสองคนเพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เราจะต้องสอนใจให้รู้ทันไม่ให้หลงไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจยยาไปเปล่าๆ ให้เราอยู่แบบพร้อมที่จะจากกันดีกว่าถ้าเราพร้อมที่จะจากกันแล้วเวลาจากกันนี้เราจะไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจไม่ทรมานใจไม่เศร้าโศกเสียใจนี่คือวิธีกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจให้หมดไปอย่างถาวร น, นี่คือวิธีดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย เหมือนกับที่เราดูแลรักษาร่างกายเพียงแต่ว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ถาวรเท่านั้นเองมันจะต้องถึงเวลาที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนแล้วเป็นเวลาที่เราจะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มันจะต้องแก่ก็ต้องแก่มันจะต้องเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะต้องตายก็ต้องตายต่อให้เรามีเงินทองมากมายกายกองขนาดไหน เราก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปได้แต่ใจของเรานี่ดีกว่าร่างกายตรงที่ว่ามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายนั่นเองและมันก็เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงใจอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นเวลาร่างกายนี้ตายไปใจออกจากร่างเราก็ต้องไปกับใจจะไปสูงไปต่ำไปสวรรค์หรือไปนรก ก, ก็อยู่ที่ ว่าเราได้ดูแลรักษาใจเรามากน้อยเพียงไรนั่นเองถ้าเราได้ดูแลรักษามากมันก็จะไปพาเราไปสู่สวรรค์ขั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ของพระอริยะเจ้าจนถึงพระนิพพานสวรรค์ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจปล่อยปละละเลยปล่อยให้ใจทําบาปปล่อยให้ใจ สะสมกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นอยู่ภายในหัวใจใจก็จะพาเราไปสู่อาบายพาเราไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกนี่คือสภาพของใจที่พระเจ้าทรงเห็นความสำคัญว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราร่างกายไม่ใช่เป็นสิ่งที่สาคัญลาบยศสรรเสริญนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญ ก็ของเหล่านี้เป็นของชั่วข่าวได้ลาบมามากน้อยเพียงไรเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นได้เพียงชั่วข่าวเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีนาะยกรัฐมนตรีก็เป็นได้ชั่วข่าวมีคนสรรเสริญยกย่องก็เป็นการสรรเสริญเพียงชั่วข่าวเพราะว่าในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายแก่เจ็บตายแล้ว ลาบยศสรรเสริญก็หมดสภาพไปดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการดูแลรักษาร่างกายของเรามากจนเกินไปขอให้เราดูแลพอให้มันอยู่ได้ก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาใจของเรามีเงินมาทำทานมีเวลามารักษาศีลมีเวลามานั่งสมาธิมีเวลามาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี้ก็มีอยู่ถึงสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือเราต้องได้ยินได้ฟังศึกษาจากผู้อื่นก่อนเพราะเราเองไม่มีปัญญาเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมกันอ่านหนังสือธรรมะกัรฟังทีดีกันอันนี้เป็นการศึกษาเป็นการสร้างปัญญาขั้นต้นขึ้นมาที่เรียกว่าสุตมยะปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังได้อ่านได รู้แล้วว่าธรรมะสอนให้เราทำอะไรขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาคิดไข้ควรอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เอามาคิดเดี๋ยวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะจางหายไปเช่นวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมมารู้แล้วว่าเราจะต้องมารักษาจิตใจของเรามากกว่ารักษาร่างกายของเราเราก็ต้องเอามาคอยเตือนใจมาคอยสอนใจมาคอยเตือนใจว่าต้องทำทานอยู่เรื่อยๆ ต้องรักษาศีลอยู่เรื่อยๆต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพิจารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆการพิจารณานี้ก็เรียกปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาทำปัญญาทั้งสองขั้นนี้ยังเป็นปัญญาขั้นเบื้องต้นยังไม่มีความสามารถที่จะทําลายความอยาก ทำลายความไม่สบายใจให้หมดไปได้ต้องมีปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี้คือภาวนาเมย์ปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้เจริญสมถะภาวนานเกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเราได้นั่งสมาธิแล้วแล้วเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้ใข้ควรมาพิจารณาเอามาใช้เราก็จะมาดับตันหาความอยากได้ ถ้าไม่มีสมาธิใจของเราจะไม่มีกำลังจะไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความโลภความโกรธความหนุงได้เานั้นปัญญาของเราจึงจะเป็นถ้าเรามาคิดแล้วเราดับตัณหาไม่ได้ก็เป็นปัญญาขั้นที่สองคือจินตามยะปัญญาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้นิ่งเป็นอุเบกขาได้แล้ว พอเราเอาปัญญานี้มาใช้พิจารณาครั้งหนึ่งมันก็กจะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาไปมันก็จะทำให้เราสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้นี่เป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนให้เราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเราก็จะไม่มีความรู้ที่จะมาใช้หยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปภายในใจของเราเหมือนกับไม่มียานั่นเองเวลาเราเจ็บไข้ได้ปวยนี้เราต้องไปหาหมอแล้วหมอก็จะให้ยามาแล้วหมอก็จะสั่งว่าให้กินยา วันละกี่ครั้งกี่ครั้งกินกี่วันพอเรารับยามาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาทำตามที่หมอสัง่งถึงเวลาก็ต้องกินยาถ้าเรากินยาทำตามที่หมอสัง่งยาเข้าไปในร่างกายมันก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคมันก็จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ธรรมะของที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่เรารับมาจากพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนาเอามาไข้ควร แล้วก็เอามาปฏิบัติเราต้องมานั่งสมาเราต้องมาทำทานต้องมารักษาศีลต้องนั่งสมาธิแล้วก็มาพิจารณาปัญญาครับถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้แล้วปัญญาของเราก็จะกลายเป็นภาวนามยยปัญญาไปแล้วก็จะสามารถาทำลายเชื้อโรคของความทุกข์ของใจเชื้อโรคของใจก็คือความอยากต่างๆ โรคของใจก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจให้หายหมดไปได้อันนี้คือการดูแลรักษาตัวของเราที่แท้จริงขอให้เราจำไว้เสมอว่าตัวของเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็จะแยกส่วนไปจะเพราะร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายตายไปแล้ว ดินน้ำลงไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เอาไปเผาก็เหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เท่าก็เป็นดินดีๆนี่เองธาตุดินดีๆนี่เองแต่ใจของเรานี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายถ้าใจมีธรรมะดูแลรักษาใจก็จะมีความสงบมีความสุขไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้ายังไม่มีธรรมะพอเพียงก็ยังต้องไปเมื่เวียนไหวต่อไปเติมธรรมะต่อไปจนกว่าจะเติมเต็มเมื่อเต็มเต็มภายในหัวใจแล้วใจก็จะไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องไปทุกข์อีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาเป็นชาวพุทธมีหน้าที่ตรงนี้คือทำทานรักษาสิง น, นั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้เราก็จะได้รับผลอย่างที่ พ, พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เป็นชาวพุทธที่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากมีความทุกข์วุ่นวายใจแต่พอได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอามาปฏิบัติใจของท่านก็พลิกจากปุตุชนขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันตขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะพลิกจากปุถุชนมาเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมมาทำความเพียรปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี้ ให้ท่านได้นามาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวหาปุราปาริวเรนติสาคัง เอวเมวะอิโตทินางเตตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโยทาสัพพิติโยมิวจานตุสัทพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตารายุสุขีธีขาโยโกผวะอาพิวาทานสีลทธาเนจังวุธาประจายโนจตารธุธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังพาลัาคใครยังไม่ได้ถวายของหรือยังไม่ได้หนังสือก็เชิญมาได้นะ เดี๋ยวจะมีการถามปัญหาธรรมะที่ได้ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือท่านใดมีปัญหาอยากจะถามก็เชิญถามได้ปฏิบัติไปแล้วมีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจอย่างไรก็ถามได้เพราะว่าเป็ น, เ, ปนเรื่องธรรมดาเป็นทางที่เราไม่เคยเดินไปไม่มีใครที่จะปฏิบัติแล้วไม่มีปัญหา ดังน้นไม่ต้องอายคิดว่าถ้าเราถามแล้วเราโง่ไม่ใช่คนที่ถามเนี่ยฉลาดคนที่รู้ว่าเอา่ตอตนเองโง่เนี่แหละคือคนฉลาดคนที่ไม่อยอมรับตนเองว่าโง่อ่ะคือคนโง่ก็จะไม่มีวันฉลาดได้ถ้าจะคิดว่าตนเองฉลาดก็จะไม่กล้าถามใครกลัวจะเสียเสียเชิง เ, เสียหน้ า, าก็จะไม่มีวันฉลาดได้ หยิบตามสบายเลยได้ทุกเล่มเลยเอาการเล่มไหนก็หยิบไปได้คุณพ่อคะเวลาปฏิบัติว่ิตร่มนี่งมันจะมาตึงอยู่ตรงหวา่างชินน้ไม่ต้องไปนสนใจมันะไม่ต้องไปสนใจนะอ่ามันเป็นเรื่องของกิเลสสมานมันยังไม่สงบอย่างเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเลยจะว่างจะเบาจะเย็นจะสบาย อย่าไปเสียอย่าไปหลงเล่กลของกิเลสอย่าไปสนใจพอเราไปสนใจแล้วเราก็จะไม่ได้ภาวนาต่อเราต้องภาวนาต่อไปมันจะตึงจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปให้ความสำคัญสนใจกับสิ่งอื่นๆที่จะมาหลอกให้เราเสียสมาธิให้เราจดจ่อเฝ้าอยู่กับการภาวนาไป จนกว่าใจมันจะ ร, <Mor> จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างมันจะหายไปหมดเวันนี้ผมลาหยิ่งงานนะครับผมพระตุลยศักอุบาจารย์นะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็เลยเม่อวานตื่นแบบตีสามความผมก็ถือว่าเป็นการตื่นเช้านะครับพอถึงตอนเย็นๆแล้วก็ไปตักพระอาจารย์อนันท์ที่วัะราชจอาจาร์นะครับตอนพอที่จะตากพระอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเคลียดนะครับมันม่วง ตามอดอชาร์จนั้นท่องออกมามันก็เหมือนเขาจะเหมือนแบตเตอรี่ถูดชาร์จมันเต็มแล้วครับเสร็จแล้วเขากลับออกจากวัดไปไปน้างินกาแฟมันก็กลับไปหมดแรงเหมือนเดิมคือถ้าเท่าแบตมันมันหมดลิ์เร็วอะครับทำให้จิตใจจะให้แบตมันอยู่ได้นานก็ต้องชาร์จบ่อยๆไปอยู่วัดนานๆเนี่ยชาร์จแบบเดียวชาร์จห้านาทีแล้วก็ถอดปลั๊กออกไปพอโทรนุณสองคุมันก็หมดละเห็นไหม ต้องชร์ดนานๆไปอยู่วัดสักเจ็ดวันอย่างนี้นี่ชา์านิดเดียวไปฟังเทศฟังธรรมไปกราบครูบาอาจารย์นี่มันแป๊บเดียวต้องไปอยู่สักสาวันเจ็ดวันจะได้ภาวนาอย่างเต็มที่อย่างนี้แล้วเวลาออกมานี่จะมีพลังเยอะแต่ก็ยังหมดได้อยู่ต่อให้ชาติกี่วันถ้าออกมาเดี๋ยวไม่กลับไปชาติใหม่เดี๋ยวมันก็หมด ต้องชาดิ้อยู่บ่อยๆต้องชา้าที่บ้านเลยไม่ต้องไปชา้าที่วัดพยายามทําบ้านให้เป็นวัดให้ได้ปรับบ้านปรับ ต, บ, ต, บ, ตบแต่งบ้านใหม่ทีวีเอาออกไปของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆออกไปให้หมดให้เป็นเหมือนกับบ้านเราเป็นเหมือนกุฏิเลยไม่มีเ ฟ, อ, ฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอรเนี่ยมีแต่พื้นมีห้องล่งโลวไว้นั่งสมาธิไว้เดินจงกรมไว้ฟังเทศฟังธรรม ทำได้ถ้าเราถ้าเราอยาทำสักอย่างเราไม่ทำเองเราไม่ยอมชาร์จเองเราชอบใช้แบตแต่ไม่ชอบชอบชาร์จแบตกัน <c oughs> แบตเตอรี่มันก็เลยตายหรือเรื่อยไม่มีไฟใช้พอเราชาร์จน้อยแต่ใช้มากใช้ไปกับรูปเสียงกิ่นรถใช้กับการกินการนอนมันก็เลยไม่มีพลังกัน ไม่มีพระไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงพอมันโลภ ก, ก็แพ้มันพอมันโกรธก็แพ้มันพอมันหลงก็แพ้มันเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องปรับบ้านเราให้เป็นเป็นวัดให้ได้เราจะได้ไม่ต้องไปวัดวัดบางทีก็หาหาวัดอยู่ยากเพราะวัดก็มีจํานวนจํากัด แล้วก็คนบางทีเข้าไปกันเยอะเร า, เรามีบ้านอยู่เราพยายามปรับให้มันเป็นวัดเราจะได้มีเวลาปฏิบัติมีเวลาชาติบาตของเราได้มากแล้วก็ไปวัดตามตามกาละที่สมควรคือที่บ้านมันก็สู้ที่วัดไม่ได้แต่เมื่อเราไม่สามารถไปวัดได้อย่างตลอดเวลาเราก็ต้องทำบ้านให้เป็นเหมือนวัดไปก่อน แล้วพอเราคิดว่าเรามีกําลังมากพอที่จะไปอยู่วัดได้นานเราก็จะได้ไปอยู่ได้ที่พวกเราไปกันไม่ได้อยู่ไม่ได้นานเขเพราะเราไม่มีกําลังเราถูกกําลังของความโลภความอยากทางลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมันดึงเราไว้เนี่ยที่ไม่อยากไปอยู่วัดกันเพราะว่ามันไม่มีทีวีไม่มีเครื่องปรับประกาศไม่มีขนมนมเนยให้ดื่มให้รับประทานตามความต้องการ ที่วัดก็จะมีให้เกณฑ์วันลมื้ออย่างนี้นเครื่องบรรเทิงต่างๆมอหปลาศพต่างๆก็ไม่มีให้ดูให้ฟังมันเลยไม่มีกําลังที่จะไปวัดกันถูกแรงของกิเลสตัณหาดึงเอาไว้ฉะนั้นเราต้องตัดกําลังของกิเลสตัณหาที่บ้านก่อนด้วยการสร้างชุดด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ของเราที่บ้านไปก่อนเอาทีวีทิ้งไปเอาตู้เย็นทิ้งไป ถ้าตู้เย็นมีก็ต้องมีกุญแจล็อกไว้ไว้เปิดเวลาถึงเวลาเปิดปากกุญแจไว้กับคนอื่นกินมื้อเดียวอย่างนี้ก็เหมือนก็เหมือนกับได้ไปอยู่วัดก็เหมือนกับได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปที่วัดเอา่ามา ครับต่อไปเป็นคําถามจากทางเ facebook พระอาจารย์สุชาติอพิชาโตนะครับคําถามแรกนะครับจากพระธีระนะครับซึ่งเคยถามมาแล้วนะครับปฏิบัติอยู่สามพรรษาเกิดความท้อเบื่อเกียจค้านใครขอคําแนะนํามันท้อเกียดค้าค น, น, นา เ, ารเราก็ต้องไม่ท้อไม่เกียดค้านนั้นมันเด็จะแก้มันได้มันท้อเราก็บอกเราไม่ท้อมันเกียดค้านเรา ก, กูไม่เกียจค้านะ ต้องต้องใช้ใช้ความอดทนต่อสู้ต้องยึดพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตรสาวกเป็นแบบเป็นฉบับนะดูว่าท่านก็ท้อเหมือนกันท่านก็เกียดตค้านเหมือนกันแต่ท่านไม่ถอยท่านไม่หยุดท่านก็พยายามผลักดันไปเทียรน้อยบางทีก็บางทีก็ผลักได้มากบางทีก็ผลักได้น้อย ขอให้ผักไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆทําให้มันเป็นเป็นอเอป็นนิสัยถึงเวลาก็ทําอย่าไปหยุดถ้าไปหยุดแล้วมันมันจะไม่เป็นนิสัยถึงเวลาก็ทําไปถึงเวลานั่งก็นั่งถึงเวลาเดินก็เดินจะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ทําไปแล้วต่อไปความเกลียดค้านมันก็จะหายไปความท้อก็หายไป ความท้อส่วนหนึ่งก็เกิดจากความอยากนี่เองอยากแต่ไม่ได้ตังใจอยากก็เลยท้อเพราะฉะนั้นอยากไปอยากอยากไปอยากเกินเกินเหตุเกินผลเราทำเท่านี้เราได้ผลเท่านี้ก็ต้องพอใจกับผลนี้ไปก่อนถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องทำให้มากกว่านี้ไม่ใช่ท้อถ้ายิ่งท้อก็ยิ่งจะไม่ได้ผลใหญ่ คำถามข้อต่อไปจากคุณจตุพรเอี่ยมสุวรรณนะครับหนูชอบคิดวนเวียนอยู่กับอาการปวดท้องจนเป็นทุกข์มากๆท่องพุทโธได้วัดหนึ่งก็จะกลับไปสนใจอาการปวดท้องอีกมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่ทราบอขอคำแนะนำการปฏิบัติจากพระอาจารย์ค่ะก็เป็นอุปทานของเราเนี่ยที่เราไปยึดติดกับร่างกายแล้วก็อยากจะให้ร่างกายนี้สุขสบาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความอยากที่จะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปก็เลยจะไปคิดถึงแต่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดจะหาวิธีต่างๆที่จะทำให้มันหายไปทำยังไงมันก็ไม่หายดันั้นบางทีเราต้องปร่งแล้ว้องยอมแล้วว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวมันจะเป็นก็เป็นถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญกับการภาวนาการบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้เรื่อยๆแล้วความเจ็บของความเจ็บท้องความเจ็บของร่างกายนี้มันจะไม่มารบกวนใจมันไม่หายไปแต่ไม่เป็นไรถ้าใจเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่ได้ อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปสนใจทาทําหน้าที่ของเราไปกินถ้ากินยาต้องกินยาก็กินยาถ้าต้องรักษาอย่างไหนก็รักษาไปทำเสร็จแล้วมันจะหายไม่หายก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันขอให้เรามาอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วมันจะไม่ทําให้เราต้องวุ่นวายใจเราจะอยู่กับมันได้คําถามข้อต่อไปจากคุณ คานทานะครับกาเรียนถามอุบายทรรมอยู่ป่าวิเวศันโดดด้วยความมืดเนื่องด้วยเป็นคนกลัวความมืดมิดปิดตาแต่ปาถนาจะถอดถอนความกลัวความวิตกให้สิ้นหรือเบาบางจากจิตคือความกลัวมันก็เกิดจากความกลัวตายนี่เองดังนั้นก่อนที่เราจะไปอยู่ป่าอยู่ที่มันน่ากลัวได้นี่เราต้อง ถัจเจริญมอนาณนุสติไปก่อนพิจารณาความตายอยู่นเนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่จะต้องตายด้วยกันหมดทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในเขามันก็ตายเหมือนกันถ้าเราพิจารณาอย่างเรื่อยๆ ใจของเราก็จะมีปัญญามีพลังที่จะต่อสู้กับความกลัวตายได้เมื่อถึงขีดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราพร้อมที่จะตายถ้าเราพร้อมแล้วเทนี้เราก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขาและตามสถานที่น่ากลัวต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่พิจารณาความตายเลยนี่มันจะไม่สามารถที่จะไปได้พอไปเห็นอะไรเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะตื่นตระหนก ตกใจกลัวเสียสติไปเลยก็มีฉะนั้นต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนฝึกซ้อมตามที่เราอยู่ที่ปลอดภัยพิจารณาความตายอยู่เนืองๆพยายามคิจารณาบ่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยเดินยืนนั่งนอนอย่างที่พุทธเจ้าสอนพระอานนุ์ให้เราลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกออ ก, ก็คือให้เราลึกถึงทุกเวลานาทีนะั่เองว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายเนอะ สิ่งที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะให้คิดอย่างนี้ร่างกายนี้เป็นเพียง เ, เป็นเหมือนตัวแทนของเราเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราได้มาจากพ่อแม่เอามาใช้งานทำหน้าที่แทนเราถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถดูอะไรได้ฟังอะไรได้ทำอะไรได้เราต้องมีร่างกายแต่ขอให้เรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นร่างกายที่มีอายุ ข, ขเป็นของชั่วคราว ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเกิดความก้าวหันขึ้นมาถ้าดีก็อยากจะให้ไปดูศพด้วยไปดูคนตายให้พิจารณาศพให้พิจารณาย้อนกลับมาหาตัวเราว่านี่แหละต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาอย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันเพราะความตายมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในร่างกาย ร่างกายนี้มันเหมือนมีระเบิดเวลาฝังไว้ที่มันจะค่อยๆทําลายร่างกายไปเท่ะเล็กเท่าน้อยจนในที่สุดมันก็จะทําให้ร่างกายหยุดทํางานตายไปให้คิดไปเรื่อยๆนะถ้าคิดแล้วใจหดหูก็อย่าเพิ่งคิดให้มาทําฝึกทสำสมาธิก่อนต้องทําใจให้นิ่งก่อนถ้าใจไม่นิ่งนี้เวลาคิดแล้วกิเลสมันจะสร้างความหดหูขึ้นมา พอหดหูแล้วมันก็ยิ่งจะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิจารณาดังนนถ้าพิจารณาแล้วใจหดหูไม่มีความสุขไม่มีความสบายก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาให้มาฝึกทําสมาธิก่อนมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ใจเย็นให้ใจสบายก่อนพอใจเย็นใจสบายแล้วลองพิจารณาลองยกความตายขึ้นมาคิดดูถ้าพิจารณาแล้วมันรู้สึกเฉยเฉยก็ดีพิจารณาไปเรื่อย พอมันเริ่มเกิดอาการหดหู่ขึ้นมาก็หยุดเสียแล้วก็มาทำสมาธิใหม่ก็สมาธินี่จะเป็นจะช่วยทำให้ใจของเรานี่รับความจริงได้รับรู้ความจริงได้เพราะเวลาทำสมาธินี่จะสมาธิจะลดความหลงให้มันเบาบางลงไปความหลงนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้รับความจริงไม่ได้ความหลงอยากจะเอาเอาความไม่จริง คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองนะเราต้องเราต้องยอมรับความจริงต้องมองความจริงให้ได้วิธีจะมองความจริงได้ก็ต้องทาใจให้สงบให้ความหลงนี่พักตัวลงไปก่อนให้ความหลงความความความอยากต่างๆให้มันเบาลงไปก่อนแล้วเราก็จะมองความจริงได้พอเรามองความจริงได้แล้วเราก็จะมีความกล้าหาญ ต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่สงบสงัดวิเวกที่น่ากลัวได้และเราก็จะเป่งได้พอเราไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความกลัวตายขึ้นมาเราก็จะป่งได้เราก็จะดับความกลัวตายได้คำถามข้อต่อไปจากคุณวัชลินนะครับไปไหนมาไหนพยายามนึกถึงความตายลักษณะต่างๆ เกิดกับตัวเองบ่อยๆจนเห็นว่าตนเองหาอุบายวางใจกับความเจ็บก่อนตายไม่ถูกเหมือนตอนนั่งสมาธิความเจ็บปวดทางกายกับความสุขทางใจแยกออกจากกันชัดเจนพอรู้ทางสู้แต่ขณะจะตายจริงๆต้องวางใจอย่างไรต้องหาอุบายซ้อมอย่างไรจึงจะสู้กับความเจ็บปวดก่อนตายได้ ก็อุบายของสมาธินี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งคือเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาก็ให้เข้าไปในสมาธิถ้าถ้าเข้าได้ก็เข้าไปแต่ถ้ามันไม่เข้าก็ต้องใช้อุบายของปัญญาก็คือต้องพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บนี้เป็นความเจ็บของร่างกายใจไม่ได้เจ็บใจเป็นเพียงผู้มารับรู้ความเจ็บเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ เราดูภาพยนตร์ที่หน้าหวาดเสียวหน้ากลัวความจริงใจเราไม่ต้องไปหวาดเสียนไปหวาดเสียวกับภาพยนตร์ที่เราดูหรอกเพราะว่ามันไม่มากระทบกับคนดูความหวาดเสียวมันอยู่ในจอมันไม่มาทำให้คนดูนี่ตายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอแต่คนดูนี่เผลอไปคิดว่าตนเองอยู่ในจอท่านั้นเองงั้นเราต้องดึงใจออกมาสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ความเจ็บนี่อยู่ที่ร่างกายร่างกายจะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเราเป็นคนดูร่างกายก็ดูไปมือเราเป็นเหมือนหมอเป็นพยาบาลร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนคนไข้ให้มองอย่างนี้คนไข้เจ็บเราหมอก็รู้ว่าเจ็บแต่หมอไม่ต้องไปวุ่นหมอไม่เวิร์ไปวุ่นวายกับความเจ็บของคนไข้ให้แยกออกมาอย่างนี้ให้พิจารณาว่าใจแับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายเป็นเป็นดินน้ลมไฟใจเป็นผู้ดูแลรักษาร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายคำถามข้อต่อไปจากคุณสมาธิปัญญานะครับจะปล่อยวางจิตได้อย่างไรการปล่อยวางท่าสี่ขันห้าพอจะเข้าใจ ก็ต้องปล่อยธาตุสี่ขันห้าให้ได้ก่อนถึงจะเข้าไปถึงตัวจิตได้ถ้ายังไม่เห็นตัวจิตไม่รู้ว่าตัวจิตนี้เป็นอย่างไรก็ปล่อยไม่ได้เหมือนจะจับขโมยแต่ไม่รู้ว่าขโมยหน้าตาเป็นอย่างไรจะไปจับขโมยได้อย่างไรก็ต้องไปเจอขโมยก่อนให้รู้ว่านี่คือขโมยเป็นตัวที่เราต้องจับแล้วยังไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องของจิตตอนนี้ให้เรากังวลเรื่องของร่างกายของขันธ์ก่อน คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขอให้เราปล่อยขันห้าให้ได้ก่อนปล่อยร่างกายให้ได <sh asına> ้ก่อนปล่อยเวทนาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายให้ได้ก่อนถ้าเราปล่อยได้แล้วใจก็เราก็จะผ่านม่านอันนี้ไปม่านอันนี้มันปิดทำให้เรามองไม่เห็นใจไม่เห็นจิตเราต้องแหวกม่านอันนี้ไปให้ได้ก่อนเราต้องผ่านขันห้าไปให้ได้ก่อน ถ้าเราผ่านขันห้าไปแล้วเราก็จะไปเจอตัวจิตเองแล้วเมื่อเจอตัวจิตแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องปล่อยจิตอย่างไรพูดไปตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้เร า, เาทาหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้ให้สำเร็จก่อนก็คือปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาให้ได้ก่อนคำถามข้อต่อไปจากข้อความนะครับปีหน้าปีชง ต้องทำอย่างไรบ้างครับก็ทำบุญละบาปชำนาจใจให้มากๆไม่ว่าปีไหนก็เหมือนกันชงไม่ชงก็ถ้าไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำนาจใจก็ไม่เกิดประโยชน์คำถามข้อต่อไปจะนายทำบุญนะครับบ่อยครั้งที่เราทำบุญหรือทำงานช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ กับรู้สึกมีปิติสุขมากกว่าการไปร่วมทำบุญทอดกะถิน่นกับวัดใหญ่ๆดังๆหรือวัดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ดังๆเนื่องจากเคยทำมามากแล้วผลของอานิสงส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคืออานิสงส์ทางใจทางความรู้สึกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นประโยชน์ของการทำบุญของเราหรือไม่ถ้าเราเห็นว่าทำแล้วได้คนได้ประโยชน์มากเราก็จะเกิดความสุขมาก ถ้าเราทำไปแล้วเราเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีความสุขนั่นเองนั้นบางทีเราก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าบุญที่เราทานี่มีประโยชน์อย่างไรถ้าเรารู้แล้วเราก็จะทำให้เรามีความสุขมากอย่างสมัยที่หลวงตาท่านชวนให้ทําบุญช่วยชาติอย่างนี้ท่านก็สอนให้เราเห็นความสำคัญของประเทศชาติว่าประเทศชาตินี่ก็เป็นเหมือนบ้านของเรา ตอนนี้บ้านของเรามันหลังคารั่วบ้านของเรามันชำรุดถ้าเราไม่ซ่อมต่อไปเราจะไม่มีบ้านอาศัยอยู่ถ้าเราเห็นความสำคัญของบ้านเราพอเราทำเราก็จะเกิดความปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาดฉะนั้นการทำบุญทุกชนิดเนี่ยมีความสำคัญทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ศึกษาเราจึงไม่รู้ว่าความสำคัญของบุญที่เราทานี้มีความสาคัญอย่างไร เราก็เลยไม่ได้เกิดความรู้สึกที่มีความสุขมีความปิติถ้าอยากจะมีความรู้สึกก็ต้องพยายามศึกษาหาเหตุหาผลว่าการที่เราทำบุญนี้ทำเพื่ออะไรประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรถ้าเราเห็นคุณประโยชน์แล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองแสดงว่าควรพิจารณา การทำบุญในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมครับถึงแม้บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทำบุญกับพระสงฆ์แต่ว่าเป็นสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เกิดประโยชน์ใเราเปรียบเทียบกับทําบุญกับวัดเนี่ยที่มีเยอะแล้วเนี่ยประโยชน์น้อยกว่าดังนั้นเราสามารถพิชใช้ต้องพิจารณาเอาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อย่างอย่างหลวงตานี่ยท่านไม่เคยสร้างบ่อย ในหลวงเคยขอถวายสร้างบทที่วัดปาบ้านตาดหลวงตาท่านก็ปฏิเสธในหลวงไปบาะว่าท่านมีเจตนาจะสร้างพระสร้างคนท่านบอว่าบวนไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับวัดปา่าสร้างมาแล้วก็จะเป็นภาระของพระเนนที่จะต้องมากวาดมาถูเพราะว่าวัดป่านี้จะไม่มีพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีอุปสมบทหรืออะไรต่างๆนี้ไม่มี ไม่จําเป็นจะต้องมีโบสถ์ถึงแม้จะมีพิธีอุปสมบทก็สามารถอุปสมบทได้โดยไม่ต้องมีโบสถ์ก็ได้สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มีโบสถ์กันหมดเลยอันนี้ท่านก็ท่านก็ตอบไปว่าอของบางอย่างมันไม่จําเป็นแต่เรากลับถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าจําเป็นสําคัญพอสร้างวัดกันเลยก็ต้องสร้างโบสถ์ถ้าวัดไหนไม่มีโบสถ์ก็ถสดว่าไม่เป็นวัดเสียแล้ว วัดไหนไม่มีเจดีย์ก็ถือว่าไม่เป็นวัดเสียแล้วความจริงวัดที่แท้จริงนี้ต้องเป็นวัดในแบบสมัยพระพุทธการวัดในสมัยพระพุทธการเป็นงไงก็มีแต่ต้นไม้เป็นป่าออมีความสงบเงียบวิเวกไม่มีความวุ่นวายต่างๆเหมือนกับวัดสมัยนี้วัดสมัยนี้มีโบสถ์มีเจดีย์แล้วก็มีมีศูนย์การค้าเข้ามาตลาดนัดวันเสาร์วันอาทิตย์เข้ามา มีมหล์ลศพมีงานศพมีอะไรต่างๆอันนี้มันไม่ได้เป็นวัดเสียแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาก่อนเราถึงจะเข้าใจว่าวัดที่แท้จริงนี่ควรจะเป็นอย่างไรแต่การมีโบสถ์มีอะไรก็มีได้ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าให้มันมีความจําเป็นจะต้องมีหรือว่ามีผู้มีจิตศรัทธาอยากจะทำบุญ เขามีฐานะดีมีเงนินมีทองเขาอยากจะสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้เป็นเกียรติแก่าศาสนาอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายรายไปไม่ใช่ทำกันเป็นเป็นเห็ดเป็นดอกเห็ดพอใครเขาสร้างวัดพระแก้วคนอื่นก็ต้องสร้างวัดพระแก้วตามกันไปหมดนีมันไม่ใช่เพาะนั้นมีวัดพระแก้วเพียงวัดเดียวก็พอมีปฐมเจดีย์องค์เดียวก็พอแล้วอันนี้พอมี คนวัดไหนมีเจดีคนสร้างวัดต่อไปก็ต้องมีเจดีตามกันไปหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องของการสร้างวัตถุกันแล้วขอคนมาร่วมทำบุญก็เลยไม่รู้สึกว่าได้บุญอะไรพอจะเข้าใจไหมถ้าตอบแบบอย่างนี้นะหลวงตาท่านก็ไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างเจดีท่านก็สงเคราะห์โลกเป็นหลักใช่ไท่านสร้างโรงพยาบาล สร้างตึกโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสงเคราะห์คนยากจนแม้กระทั่งไปสร้างที่พักของอะไรผู้ต้องหาผู้หญิงที่อยู่ในคุกนี่ในคุกตารางทางราชการไม่มีงบประมาณที่จะสร้างอาคารพักให้กับผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยท่านก็ไปสร้างให้ให้แทนแม้แต่หมาที่ไม่มีคนเลี้ยงดูหมาหมาที่ไม่หมาจรจัดอย่างนี้ ท่านก็ยังสงเคราะห์มีคนที่เอาหมอจอนจัดมาเลี้ยงท่านก็ส่งค่าเลี้ยงดูไปให้ท่านช่วยหมดอ่ะเพราะว่าที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะทํากันเรื่องผ้าป่าช่วยชาท่านก็ไม่เคยคิดจะทํามาก่อนแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทําให้มันต้องทําก็ต้องทํเาเพราะว่าที่ท่านทํานี่เพราะท่านเห็นว่าท่านมีโรคศีลดูขามากาคนรู้จักท่านมาก พท่านพอกาให้ทำบุญเขาก็จะดีใจเขามีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับท่านเพราะเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของท่านว่าทุกบาททุกสตางค์นี้ท่านไม่ได้หามาเพื่อประโยชน์ใส่ตัวท่านเลยท่านมาทำเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆตอนแรกๆก็มีแต่เรื่องของโรงพยาบาลมีคนมาขอมีหมอมาขอลด โรงพยาบาลอะไรเขาเรียกลดตู้ที่รถพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีลดตู้ส่งคนไข้ไปตามโรงพยาบาลต่างๆมาขอท่านก็ซื้อให้เขาขาดเรื่องอุปกรณ์การรักษาเครื่องมือผ่าตัดอะไรต่างๆท่านก็ซื้อให้ซื้อให้เพราะว่ามียาโยมที่อยากจะร่วมทา บ, บุญกับท่านคอยถวายปัจจัยให้ท่านอยู่เรื่อยๆ พอมีโรงพยาบาลขาดที่พักอาศัยที่รักษาโรค ก, ก็มาขอให้ท่านช่วยสร้างอาคารท่าก็สร้างไปพอมีเหตุเรื่องของบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นศินท่านก็เลยต้องออกมาช่วยการระดมเงินมาทําบุญเพื่อเอาเงินเข้าเข้าคลังหลวงอันนี้ก็เป็นการทําเพื่อเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นทําอย่างนี้แล้วมันจะมีความปิติมีความสุข เพราะมันเห็นประโยชน์จริงๆไปสร้างโบสถสร้างเจดีย์นี่บางทีมันไม่รู้สร้างไปทําไมใช่ไหมสร้างไปแล้วมก็อยู่อย่างนั้นเจดีย์นี่ความจริงก็มีไว้สําหรับบรรจุพระสารพระธาตุของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันตานั้นเองแล้วจะมีพระธาตุกับของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์มามากมายกลกองขนาดนั้นหระเอามาจากที่ไหนกันรู้สึกมีเต็มไปหมดเลย ร่างกายพระเจ้าก็มีแค่ร่างเดียวแต่พระธาตุนี้ไม่รู้โผล่มาจากไหนกันเยอะแยะไปหมดการมีพระธาตุก็เป็นมีใจดีก็เพื่อให้เราได้ดำเนึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองว่าครั้งหนึ่งมีมีนักปราบมีผู้วิเศษที่ไม่มีใครเหมือนมาได้มาเกิดในโลกนี้เป็นผู้ที่ได้มา ค, นค้นกุญแจของชีวิตกุญแจที่จะนําพาชีวิตให้เราไปสู่ ความนล่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงให้พาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดการที่มีเจดีมันก็จะทำให้เราเกิดพุทธานุสติขึ้นมาเห็นเจดีแล้วก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงภาษาวงของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้เราได้เกิดศรัทธา ที่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราก็จะได้ประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกเหมือนกับที่พระเจ้าและพรษาวงได้หลุดพ้นกันอันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเจตนาของการสร้างจดีเพื่อเป็นพุทธานุสอนธรรมานุสรนสังคานุสอนส เพื่อไม่ให้พวกเราลงลืมสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างมากถ้าเราไม่มีบางทีเราก็ลืมมัวแต่ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาสมบัติข้าวของเงินทองที่เป็นของชั่วคราวพอตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแต่ถ้าเรามา กราบไหว้าาเจดีมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆติดตัวกับเราไปพระาจารครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดโทสะโดยที่เราไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องแต่ว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนพอพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันถึงจะมีปัญญาตามมา คือ ส, ส, สักสักประมาณสักคู่หนึ่งครับปัญญามันถึงจะตามมาว่าเพื่ออะไรโกรธไปเพื่ออะไรมันก็เลยดับได้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยวันสองวันเนี่ยบางทีมันก็ยังมีอารมณ์ตรงนั้นโผล่ขึ้นมาได้วความที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องแต่พอโผล่ปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดเหมือนเดิมอีกอย่างเนี้ยมันปัญญายังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เรามามาแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยต้นเหตุของความโกรธก็คือ ความอยากของเรานีเ่เราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากเราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยวางเขาได้เขาจะทำไงก็เรื่องของเขาไม่สนใจลองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนว่าเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยเราจะไม่ค่อยโกรธกับฝนฝนตกแดดออกเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เราก็ควรจะมองคนอื่นแบบมองเรามองดินฟ้าอากาศคืออย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรามองว่าเขาเป็นดินฟ้าอากาศเราก็จะสบายเขาจะดีจะชั่วก็จะออะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เรามีอย่างมากก็หลบเสียฝนตกแล้วก็หลบเข้าที่ที่ไม่มีฝนเสียไปเจอคนไม่ดีเราก็หลบไปเส้ก็หมดเรื่อง อย่าไปสู้กับคนกับคนพาลเลยอย่าไปเล่นกับขย ะ, ขยะนะเข้าใจไหมเดาก็เดี๋ยวก็เหม็นไปกับขยะด้วยเวลาเราเจอกองขยะเราทำไงเราเดินหนีใช่ไหมเวลาเราเจอคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเราทําไมจะไม่เดินหนีทําไม <S <S <S อมนั่นแหละเพราะเราคิดว่าเรายังเปลี่ยนเขาได้ยังสั่งเขาได้จริงเราเปลี่ยนไม่ได้สั่งเขาไม่ได้หรอก เนั้นพยายามทำใจให้ปล่อยวางอย่าให้มีความอยากกับสิ่งต่างๆก็อย่างที่บอกเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้มีสติมีปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกเวลานาทีเวลาเราเผลอปั๊บนี่มันจะไปตามความอยากทันทีแต่ถ้ามีสติปัญญาคอยเตือนก็อย่าไปอยากนะอยากแล้วทุกขนะ์นยเราไปห้ามก็ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเฉยจะไม่ยุ่ง ถ้าจะยุ่งก็ยุ่งกับสิ่งที่เราทําได้พูดได้คือมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะทําอะไรทําไม่ได้เลยเราต้องใช้ปัญญาชั่งน้ําหนักดูว่าเราควรจะเข้าไปยุ่งหรือไม่ควรจะทําหรือไม่ทําแล้วได้ได้คุ้มกับเสียหรือไม่อถ้าทําแล้วขาดทุนก็อย่าไปทําดีกว่าทําแล้วทําให้จิตใจเราวุ่นวายไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปทำมันปองดีกว่าว่าเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไป หลังจางยังพอจะเข้าไปทำาอะ ไ, ได้ก็เข้าไปเถิดถือว่าเป็นการทำบุญไปอาจารย์ท้ามีวันหนึ่งนั่งพิมงานที่โต๊ะแล้วปิติมันเกิดขึ้นขึ้นมาได้ไหมได้เพราะวันนั้นจิตใจเราจดจอ่อเกี่ยับงานไไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราใจมันจดจอ่อมีสมาธิมันก็สงบพอสงบก็เกิดปิติขึ้นมา พยายามทําอะไรให้มีสมาธิอยู่กับงานที่เราทําอยู่ให้มีสติจดจ่ออยู่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะเย็นจะสบายไปทั้งวันทําอะไรก็ให้อยู่กับงานอย่างเดียวแปลงฟันก็แปลงฟันอย่างเดียวล้างหน้านก็ล้างหน้าอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจมันจะเย็นจะสบายไปทั้งวันมันไม่ปุงแต่งเนี่ยพอมไม่ไปรุงแต่งมันก็ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากมันก็เย็นสบาย ถ้ามีความอยาบมันก็จะร้อนขึ้นมามันจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีพ ย, ยายามจะเลื่อสติไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโยมได้สัมผัสกับความสงบแล้วถึงแม้จะไม่ได้สงบแบบที่นั่งสมาธิก็ไม่จําเป็นเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กท่านก็นั่งอยู่เฉยๆองเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครก็จิตก็สงบเป็นปิตุขึ้นมาเมื่อก่อนนี้มีแต่คนรอมรอบ มีแต่คนคอยเอาอกเอาใจคอยหาหนูน่นหาหนี่มาให้ดูให้ฟังให้ดื่มให้รับประทานใจก็เลยไม่เคยมีโอกาสที่จะอยู่ตามลําพังอยู่ว่างๆพ อ, อข้าราดบริพารเขาไม่ว่างไปทําภารกิจอย่างอื่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ใต้โคนไม้ใจก็สงบเลยใจก็เกิดปิติขึ้นมาอันนี้พยายามปิกวิเวคให้มากพยายามทําอะไรตามลําพังของเราเลยอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนอย่าไปคุกคีกับคน แล้วใจเราจะนิ่งใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายนัติสันติปาลังสุขขังไม่มีความสุขอนไดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบใจจะสงบได้ใจย่ออยู่ตามลำพังต้องผ่างกายจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผ่างกายจากเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆ อยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาถ้าได้ความสุขอันนี้แล้วมันจะอิ่มมันจะไม่อยากจะได้อย่างอื่นแล้วเคยเมื่อก่อนอยากจะได้ความสุขจากการเข้าสังคมไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานพอมันเจอกับความสุขแบบดีแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรแล้ว อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทำใจให้สงบมากๆพยายามทำได้เถิดอ น, นี้เป็นที่พึ่งของเรารร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังสามารถสร้างความสุขแบบนี้ได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะต้องออกไปกับกับการหาแสงสีเสียงต้องมีร่างกายที่สังแข็งแรงมีสุขภาพดี ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถออกไปหาความสุขแบบนั้นได้ก็ต้องอยู่บ้านแบบเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเรามีความสงบทำใจให้สงบได้การอยู่คนเดียวที่บ้านกับไม่เศร้าซ้อยหอยเหงากับมีปิติมีความสุขพยายามทาให้มันเป็นทานานจนที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปพึ่งอะไรเรามีตัวเราเป็นที่พึ่ง มีอาตาหิอาตโนนาเถมีธรรมังสรารนังกระฉามิเป็นที่พึ่งตอนนี้กำลังพยายามกาหนดอิริยาบถย่อยอ่าน่นละพยายามทำไปทั้งวันอย่ายให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปทำไปเรื่อยๆแล้ ว, ลวมันจะชนานาญขึ้นเ้วก็จะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องทําอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเหมือนปลูกต้นไม้ตอนเริ่มปลูกต้นไม้นี้ต้องคอยลดน้ำบนดินอยู่เรื่อยๆแต่ต่อไปพอรากมันฝังลึกแล้วทีนี้ไม่ต้องไปลดน้ามันละมันจะไปของมันเองมันจะโตของมันเองตอนนี้เราต้องเขี้ยวเข็นมันไปให้ปฏิบัติแต่พอมันเริ่มมันเริ่มได้ผลแล้วทีนี้มันไปของมันเองไม่ต้องบังคับมันละมันถึงเวลามันจะทําของมันหน้าที่ของมันทันที แต่ตอนใหม่ๆต้องบังคับต้องดึงมันออกมาจากเรื่องงานต่างงานการต่างๆดึงออกมาให้ได้พอมันมาเกาะติดอยู่กับการทําใจให้สงบแล้วต่อไปไม่ต้องบังคับอันแล้วมันจะเอาแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีอะไ ร, ะระไหมจักรก็แล้วพระอาจารย์ครับมีโยมท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วก็มาที่นี่เป็นประจําครับ แต่ว่าเนื่องด้วยหน้าที่การงานเป็นนักข่าวสายการเมืองทำให้คุ้สร่านมากทั้งจะปฏิบัติด้วยคันเมืองด้วยเมตตาพระอาจารย์พระจัดเมตตาสอนหน่อยครับก็ให้ดูเหตุการณ์ต่างๆว่าเหมือนเราดูละครก็แล้วกันเป็นละครน้ําเน่าอย่าไปอย่าไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเหมือนเราดูกีฬาเนี่ยอย่าไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเครียดต้ เชียร์มันทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายไหนหก็ได้เอมองว่าเราไม่ได้ไม่มีผลได้ผลเสียกับเขาเหรอกเราก็ดูไปงั้นเองเขาชนะเขาก็ไม่แบ่งเงินรางวัลมาให้กับเราเหรอกอารย์เมื่อไหร่จะจบติ๋มอ๋อไม่จบมันเป็นเรื่องของมนุษย์ไง <c oughs> มนุษย์มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ <c oughs> ดึกดำบรรละทุกยุคทุกสมัย รถไปทำงานกลับกับไปติดทุกวันเลยก็ถึงสอนให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ไงศึกษาประวัติศาส <c oughs> ตร์กันบ้งสิจะได้รู้ว่ามันมันเป็นมาตลอดเวลาสมัยกรีกสมัยโรมันสมัยอียิปต์มันมีทุกแข่งทุกคนอะ่ะ <c oughs> เพราะกิเลสไงความอยากใหญ่อยากโตอยากมี อ, อยากเป็นเนะี่ยมันก็มีอยู่ในหัวใจของสามโลกทุกๆตัวถ้าใครมีโอกาสมันก็จะฉวยโอกาสนั้นทันที น้อยคนที่จะมีเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่มีโอกาสจะเป็นมาหาจากักรพรรดิแต่ไม่เอาเพราะมีปัญญาไงเพราะรู้ว่าจะต้องไปเข็นฆ่าต้องไปต่อสู้กับคนต่างๆไปทําบาปทํากรรมท่านจึงไม่เลือกทางนั้นท่านเลือกมาทางของเป็นพระ ศ, ศาสดาแทนน้อยที่จะคิดอย่างนี้ได้ดังนั้นอย่าไปคิดอะไรไปโปงเถอะคิว่าเราดูละครน้ําเน่าไปนเราอย่าไป อย่าไปวุ่นวายขเขาเราก็ไม่ได้ไม่เสียเราอยู่ของเราไปรักษาตัวเรารักษาใจของเราไปดีกว่าทำหน้าที่ของพลเมืองดีจ่ายภาษีเนแล้วก็ทำหน้าที่ไปอย่าไปทำให้บ้านเมืองเดือดร้ายไปกว่านี้ส่วนคนอื่นยก็จะทำไงนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ ตอนนี้พายุมันกำลังจะเกิดขึ้นน่ะห้มันเกิดไปเดี๋ยวไฟมันจะไหม้ละอักคีภัยจะมาแล้วทำไงได้เราไปห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องรักษาส่วนของเราไปไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้แสดงว่าเราไม่รักชาติเนี่ยคนบางคนมาถามว่าการที่เราไม่ออกไปต่อต้านไม่ออกไปปะทวงนี้เราไม่รักชาติหรือเปล่าไม่ใช่หรอกการรักชาติมันมีหลายวิธี การจร่ายภาษีการเป็นณนเป็นเป็นพลเมืองดีอันนี้ก็เป็นเป็นการรักชาติอยู่แล้วแต่เราต้องรักใจเราด้วยชาตินี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปเราก็หมดไปละชาติก็หมดไปจากเราแล้วเราต้องมองภาพรวมภาพยาวด้วยเราต้องมองเรื่องของใจเราด้วยอย่าไปรักชาติจนทำให้เรามาย่ำยีจิตใจของเราให้กาย ให้กลายเป็นเปรต เ, เป็นเดราจฉานไปเราก็ต้องรักษาใจของเราให้เป็นเทศเป็นพรมเป็นพระอริยะบุคคลไปในขณะที่เราทำหน้าที่ดูแล ร, รักษาร่างกายดูแล ร, รักษาชาติของเราไปด้วยถ้าอันไหนที่มันขัดต่อหลักธรรมเราก็ต้องไม่ทำไม่งั้นจะได้ไม่คุ้มเสียเช่นไปฆ่าฟันกันเพื่อที่จะรักษาประเทศชาติ ตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอวายต้องมองใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธานดูแลอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการดูแลใจเพราะถ้าใจไม่ดีแล้วต่อให้เป็นอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความสุขแต่ถ้าใจดีแล้วต่อให้เป็นขอทานก็ไม่เป็นปัญหาเลย ดูพระพุทธเจ้าจากการเป็นพระเจ้าแผ่นบินเป็นพระราชโอรสมากลายเป็นขอทานเพื่อรักษาใจเพียงอย่างเดียวพอรักษาใจได้แล้วเป็นยังไงกลายเป็นศาสดากลายเป็นที่พึ่งของสามโลกไปแอ่ตัวเองก็ยังเป็นขอทานอยู่ดีๆนี่ทุกวันก็ออกไปบิณฑบาตขออาหารจากผู้อื่นมารับประทานนั้นอย่าไปมองเรื่องอย่างอื่นนอกจากมองใจของเรา เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวิธีจะรักษาใจก็ต้องบําเพ็ญตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนทาทานรักษาศีลยังสมาธิเจริญปัญญาอันนี้สําคัญกว่าการต่างๆทั้งหลายเดี๋ยวพวกเราทุกคนที่ที่มารักษาชาติกันก็ตายกันหมดนะใช่ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกประเทศไทยมันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่มันก็มีพวกแหละรุ่นหลานรุ่นเลนมาดูแล ร, รักษาต่อไปเองเลย ก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาใช่ไหมมันผ่านมาแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็สร้างมาจเจริญแล้วมันก็เสื่อมไปหมดกรุงศรีอยุทยากรุงสุขโขทยัยมันก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปนกรุงเทพต่อไปมันก็เหมือนกันแหละมันจะมันจะไปวิเศษกว่ากรุงศรีกรุงสุงสขโขทัยได้ยังไงไม่ต้องกังวลหรอกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมเป็นธรรมดา ตอนนี้เราอยู่ยุคเสริมเราเลยรับไม่ได้กันก็เป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ใช้ได้ทั้งสองทางใ ช, ใช้ใช้ใช้ทางที่ดีก็ได้ทางที่ชั่วก็ได้ดดไดเอเ อ, เอเ ร, รู้จักรู้รู้จักแยกแยะ ถ้าไม่รู้จักแยกแยะ ก, ย ก, ก็ก็เหมือนยาเสพติด ก, กับยารักษาโรคเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็เดี๋ยวก็หลงไหลไปกับสิ่งที่ตนเองชอบถ้าชอบความชั่วมันก็จะไปหาความชั่วกันถ้าชอบความดีมันก็ไม่ไปหาความชั่วมันก็จะไปหาแต่ความดีกั น, ใ, นใจของคนเราแต่ละคนนี้มันได้ปลูกฝังมาไม่เหมือนกันเคยทําชั่วทําดีมาไม่เท่ากัน คนที่ทําชื่อมามากก็จะติดกับความชื่วชอบทําชั่วคนที่ทําดีมาก็จะติดกับความดีจะชอบทําความดีเรามีหน้าที่ถึีงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็มีหน้าที่สอนเรื่องดีเรื่องชื่วให้กับลูกๆให้เขารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเท่านั้นเองส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ได้นี่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับยัดเยียดให้กับเขาได้เราสอนให้เขาดีแต่เขาชอบความชั่วก็ช่วยไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถจับเขาล่ามโซ่อยู่มันในบ้านตลอด24ชั่วโมงได้เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระแต่เราให้เครื่องมือเขาเราบอกทางให้เขาแล้วว่าทางที่ดีเป็นยังไงทางที่ชั่วเป็นยังไงแต่ถ้าเขาจะเลือกไปทางไหนก็เป็นเรื่องของเขาไปทุกไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยากให้เขาเป็นตามที่เราอยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร จะทุกข์จะเสียใจไปเปล่าๆแทนทีาา่จะรักกันก็กลับโกรธกันซิชี้ใส่แม่เลยนะ <c oughs> เลยอาแล้วนะมีอะไรไหมไม่มีจะได้ให้คนที่เขาอยากจะกลับจะได้กลับกันไปส่วนกครอยากจะอยู่ต่ออีกนิดก็ได้นะ ต้องเดินทางกันเองก็ขอเอาไปปฏิบัติเพื่อสุขการสุขการเจริญธรรมยิงย่งขึ้นไปเทอ